มันเนรคนหนึ่งนะมาฝึกปฏิบัติหลวงปูด่ดูลัตุโลเพิ่งบวชแล้วก็ไม่มีประสบการณ์การปฏิบัติหลวงปู่ท่านก็แนะนำการภาวนาโดยใช้พุทโธ ท, ทีแรเกเนรก็ทำไปก็ฟุ้งซ่านแต่ว่าพอภาวนาพุทโธไปได้สักระยะหนึ่งคืออาจจะไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ทำหลายครั้ง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 การปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยแ ม, ม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะไปสนใจให้ดูใจให้ดูใ จ, ใใจอย่างเดียวเวลาภาว น, นานมีความกลัวเกิดขึ้นก็จะไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้กลัวให้มาดูใจเท่านั้นพอเดี๋ยวความกลัวก็ดับไปอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติที่ ใช้ได้นะกับนภาวนาไม่ว่าจะมีมนิมิตหรือไม่หรือไม่ว่านิมิตนั้นจะน่ากลัวหรือว่าน่ายินดีอันะนิมิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นนะอย่างที่หลวงปู่ดูลเคยว่าเนี่ยอการเห็นเนี่ยนะการเห็นนิมิตเนี่ยจริงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่จริงเึีงแต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยตานะเห็นด้วยใจ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 เป็นเครื่องรักษาใจแล้วมันก็ปล่อยกัดนักมวยเขาปล่อยกานี่มันก็อันตรายแล้วเมื่อจิตมาส่งออกนอกไม่มีสติโดยเพพาะเรื่องความกลัวเนี่ ย, ยอันนี้เป็นที่ท่านพูดกับเนยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคนแวกลัวแล้วก็ตามจิตมันก็จะส่งออกนอกไปที่สิ่งที่กลัวจะเป็นงูเหี้ยเกี้ย ว, ข, ยวขอก็ตาม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 ออกไปข้างนอกในที่จริงแล้วในภาวะน่้จิตนั้นก็ปรุงแต่งนะจดจ่ออยู่กับเรื่องที่กลัวแล้วก็ที่จริงสิ่งที่กลัวนั้นมันไม่ใช่สิ่งนอกตัวเลยนะมันเป็นสิ่งมันเป็นความคิดต่างหามันเป็นความคิดคนเราไม่ได้กลัวผีแนตะ่กลัวความคิดนะกลัวความคิดมากกว่ากลัวความพิเกวกผีหรือว่า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 ละอายหรือมันอาจจะกลัได้ซ้ำมนก็นหนีไป่อที่ตลองปู่ท่านพูดไว้เน่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะอย่าไปสนใจให้มาดูใจอันนี้รวมถึงอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะนีเช่นมีเสียงดังเสียงดังกาลังภาวนาอยู่เสียงดังเนี่ยเกิดความไม่พอใจกิดความมีขึ้นมาตอนนั้นจิตมันส่งออกนอกแล้ว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 เกิดปิติขึ้นมาเนี่ยเวลามีปิติเกิดขึ้นก็ให้ดูมันเฉยเนยนะเห็นมันเฉยเฉยไม่เข้าไปเป็ น, นพอเข้าไปเป็นเมื่อไหร่นี่ก็จิตก็ลืมตัวแล้วคนเราไม่ได้ลืมตัวเพราะความทุกข์อย่างเดียวนั้นนะบางทีก็ลืมตัวได้เพราะความสุขด้วยให้ให้มีสติตั้งมั่น เ, นเป็นให้เห็นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เห็นที่ไหนก็มาเห็นที่จิตที่ใจนั่นแหละ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 ไอ้ตอนนั้นก็เช่นเดียวกันนะจิตก็จะไม่มีสติเนี่ยคอยรักษาละคอยป้องกันละไอ้ความทุกข์ก็เข้ามาได้ เ, เปิดช่องมันมีช่องอมันมีช่องบวมขึ้นมาไม่ว่าทำอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาดูใจ เ, เวลากินอาหารอร่อยเออมันอร่อย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 กลเข้ามาดูด้านในว่ามีอะไรนะเป็นอันตรายหรือเปล่าแต่คนก็ไม่ค่อยใช้สติมาทํางานนี้นะหรือไม่ค่อยใช้ใจนี่มาดูใจมีอะไรก็นะจิตมันก็แล่นอะอกนอกหมดนะมันก็ทําให้เกิดอันตรายนะเรียกอันตรายที่ปกปิดนะครูเจ้าตรั่าอันตรายเปิดคืออันตรายที่ปกปิดอันตรายที่ปกปิดก็คือพวกอารมณ์พวกนี้แหละ ตัณหามตตทิฏฐิเนี่ยความถือตัวเข้ามาสร้างความถือแก่จิตใจได้ต้องฝึกนิสยนยนัยนี่ไว้นะนิสัยที่ไม่ใช่ส่งจิตออกนอกอย่างเดียวให้นิสัยกลับมาดูใจนะไม่ว่ามีผัสสะอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะมาในรูปไหนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรวมทั้งธรรมารมด้วยไอ้นิมิตเนี่ยก็เป็นธรรมารมอย่างหนึ่ง ถ้าไปจดจอมันก็เสียท่าเหมือนกันอันนี้เป็นนินนสยัยต้องฝึกเลยนะสำหรับปฏิบัติธรรมรวมทั้งเวลาเกิดความทุกข์ด้วยนะเวลาเกิดความทุกข์เนี่ยโดยเพราะทุกข์ใจเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยหรือว่าธรรมชาติของอ น, นิสัยของเราเนี่ยมันจะส่งออกไปข้างนอกเลยแล้วก็ไปโทษข้างนอกไปโทษแดดโทษฝนไปโทษคนไปโทษอาหาร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 เราเดือดร้อนไหมเราก็ไม่เดือดร้อนนะั่นนะเพราะว่าไม้นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเออไม้เป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็เริ่มทุกข์ละเริ่มเศร้าเริ่มเสียใจหรือโกรธหรือถ้าไปยึดว่าไม้เป็นตัวเรานี่ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่คนเราทําหมือนกันนะจิตใจเราทำเหมืนเนี่ยกับกายเวลากายปวดเนี่ยนะใจมันยึดว่า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 ฟังจนลนออกจากห้องห้องประชุมออกมาลุนไปข้างนอกระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนที่ฟังอยู่ข้างนอกนี่ก็ไปเหลือเ็นธงธงมันปลิวนะมีคนนก็พูดว่าธงมันไหวไอ้คนที่กายบอกไม่ใช่ธงไหวลมมันไหวต่างหากก็เถียงกันเถียงไปเถียงมาคนที่อยู่ข้างก็มาร่วมเถียงด้วย เปงกาเป็นกา ร, กา ร, การจับกลุ่มแบ่งเป็นสองฝ่ายนะถกเถียงกันด้วยความด้วยด้วยที่แล้วก็ด้วยเหตุด้วยผลนนะ ต, ตอนกลังก็ช่างมีอารมณ์กนะารทำบาังการถกเถียงกันเนี่ยถึงเดิมก็มีอารมณ์เนะถียงอยู่นี่แหละ ว, ว่าทงไหวหรือลมไหวนะไม่สนใจแล้วนะว่าอาจารย์ก็กลังบรรยายเรื่องอะไรทั้งในนั้น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 กำลังโกโรธกำลังโมโหแล้วนะเพราะการทุ่มเถียงทะเลาะ ก, กันให้คนสว่วนให่ไปอย่างนั้นนะคือว่าไปมวัวแต่สนใจสิ่งนอกตัวยิ่งเป็นการถกเถียงกันเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นการถกเถียงกันทางความคิดก็ตามนะอาจจะไม่ถกเถียงกันเรื่องลมหรือว่าเรื่องธงนะถกเถียงกันเรื่องสังคมเรื่องอุดมการณนะ์ตอนนั้นมันก็เรียกว่าติดส่งออกนอกนะ ลืมดูใจเนะทียงไปทําไมทงไหวหรือลมไหวใ น, ในเมื่อใจนี้มันนะกําลังกระเพื่อมด้วยความโกรธด้วยความขุนโะมวเราพยายามสร้างนิสัยนี้ไว้นะนิสยัยนี้นิสัยที่จะไม่ไม่โมวแต่ทรงจิตออกนอ ก, นอกแต่กลับมาดูใจอยู่เสมอนะยิ่งเพราะเวลาโดยเพราะเวลามีความทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะกลัวทุกข์เพราะเศร้าทุกข์เพราะเสียใจอะไรเนี่ย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 ไปปล่อยให้ความโกรธนี่เผาลนจิตใจนั้นเรียกเป็นการซ้ำเติมตัวเองตั้งแต่แรกบาคนเราก่อนที่ไปทำความทุวยใหกับใครเนี่ยมันทำความทุวยให้กับตัวเองก่อนนะเริ่มต้นโดยการนะไปปลกเราหรือว่าไปสมฟนะืนไฟแห่งความโกรธนะให้มาเผาลนจิตใจ พอจิตใจมันร้อนมันทนไม่ไหวมันก็เริ่มที่จะระบายความทุกข์ใส่คนอื่นแล้วด้วยการด่านหรือว่าด้วยการทําร้ายเข้าของเขาหรือว่าทําร้ายตัวเขาอันไม่ว่าจะเป็นนักภาวนาก็ตามไม่ว่าทางที่ภาวนาก็ตามไม่ทาที่ดำเนชีวพจามาก็ตามเนี่ยเรื่องการดูใจเนี่ยก็กลับมาดูใจเนี่ยสําคัญมากต้องทายเป็นนิสัย อย่างที่พูดเมื่อ ว, วานเนี่ยว่าเวลามีอะไรนะเวลามีความทุกข์ก็อย่ามัวแต่บ่นนะอันนี้มันก็เป็นในการถ้ากลับมาดูใจเนี่ยนะมันก็ทำให้ในการที่จะบน่นโน่นบ่นนี่เนี่ยมันน้อยลงเป็นเพราะไม่ดูใจเป็นเพราะไปโทษข้างนอกมันก็เลยไปบ่นหรืออดโอยนะการบ่นอดโอยก็คือการที่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 แต่ถ้าทำได้ก็จะลงมือลงไม้ลงมือนะทำไม่ได้ก็ได้แต่บน่นหรือว่าโวยวายหรือว่าต่อว่านะต่อว่าต่อขานอั น, นั้นไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติเพราะว่านักปฏิบัติก็ยอมรู้ดีว่าในความทุกข์เนี่ยโดยเฉาะทุกข์ใจเนี่ยนะมันก็เกิดจากใจที่ไม่มีสติเองเก่งอยู่ความทุกข์กายเนี่ยอาจจะเกิดจากคนอื่น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 ทำสม่ำเสมอเริ่มจากการภาว น, นาก่อนแต่พอเมื่อภาว น, นาบ่อยๆฝึกนิสัยดูใจเนี่ยโดยควบคู่ไป ก, ก, กับกับการดูกายด้วยต่อไปเวลาออกจากการภาว น, นาเ็นชีวิตประจาวันมีอะไรมากระทบเกิดความไม่พอใจความ ห, มหงุดหงิดนี่แทนที่มันจะจิตมันจะพุ่งออกไปข้างนอกนก็กลับมาดูใจนะแล้วก็เมื่อมาดู